กิในใดไม่เทีย่ยวเสียนนั้นแหะเป็นทุกข์กินใดเป็นทุกข์สียนนั่นมิเจโตต่ำนี่อันนี้ปริจนาสังขารความปุงเคลื่อนแสกหายละปุงเป็นบุญกุงเป็นบาปนี่มัเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางาไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบนศาสนาอันนี้ในวัดปราติโม่อ ท่าก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปัสสะอักลานังกุสารสุปสัมปดาชาติตาประโยชน์ตันนังเทตังพุทธศาสนา <Yeah. S 1> แปลใจความว่าใละความชั่วทางกายทางวาจาดงใจท่า <Yeah. S 1> นบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราี่ <Yeah. S 1> ันบอกเนี้ย ออนวายวางในตรงนี้านาศาสนาดุสระสุปสัมปดาอัานรในเจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเราเนี่ยเจริญยังไงคุณงามความดีาจาาเรจริญ่ า, ร า, า, าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยอ่าให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ยท่านบอกเนี่ย กนใดดีรีพากันทํำนะในวันนี้มันบอกว่าให้วันนี้อเยวิจจะมาตะปังโกนัญญามันลังสูเวจิตอันใดดีรีทําสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันจิตอันใดดีรีทำนะ บอกนี้มานั่งซื้อเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่นานทันห้ราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยอ่านมัเป็นเรารู้ไหมเพราะนั่นท่านได้ทำใชในวันนี้ เ, เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมนมนมีหลายวัน นี่ท่านเทศนาไวา้เน่ยพากันในพิจนาะแหมรม้มเห็นต่อไปสาจิ ต, าตะประโยชะ์ปันญันั่งมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเคยใจปราศ จ, จ, จากกิเลสปัญหาลาคะกโลภโทสะโมหวิสาตันหาประธานภพชา อจเรายลปราบศจากตัวนี้มันใจล้วก็ใสอ่สาคือมันใสคือมันไม่ในมัวเมามันไม่วูดวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเออมันนี่เหตุนั้นเนี่ยพากันในฟังมาต้นนี้เอาตอนนี้ไปยพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเอออ้าวเข้าที่ฟัมนั่งฟัง แล้วมึนเห็นอย่าสักก็แต่ว่าอ้าวเขาทำจริงจรงจันจันเออมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายเล ย, ยนั่งสบายมีละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งเออฟังฟังมันไปฟังมันเดินบอกแล้วโอปนี้โกนมเำก็มา เ, ออเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงนั้นไม่จริง ที่ขันอธิบายแล้วอนั่งสบายอาว า, ง, า, ว า, ง, า, า, างขาวางทางสบายสบายนั่งเท้าขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตายสบายสบายเมือ่อตายสบายแล้วอืมอ้าวสบายยังตา ย, ยเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบาย เราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเอเมื่อกายเราสบายแล้ววางดวงใจนสบายมันนึกนี่ละวางดวงใจนสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณกัสธรรมคุณกัสสงแล้วนีน้อมเข้ามา นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจไายสงอยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทาษคือความรู้ <Yeah. S 1> เมื่อเป็นชนิดผู้ไม่ไดเคยไม่ทันรู้จักผ <Yeah. S 1> ู้รู้จักแล้วเราเคยทํำยังไงก็ตั้งกติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทําไหนเบื้องตอน้นนึกถึงพุทโธ ทำโ ม, มสังโฆพุทธโฆทำโมสังโฆพุทธโฆทำโมสังโฆสามคนแล้วให้ลวงนเอาแต่พุทธโ ฆ, มมโฆพุทธโพุทธโฆคำเดียวให้รับตากนะปากนะให้ลึกกันในใจเลี้ยงกันไม่กระดิ ห้ลึกก็สวยให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วเออหายลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแร้มๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้นในที่รู้แพ่นดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้น ตากเ็เพ่งดูตรงนั้นเีความรู้สึกอยู่นั้นหูเราก็ไปฟังเทนรู้อยู่นั้นฟังพเพลงใดเราอยากรู้ว่าตัวเรานี่น่ะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นหายุ่จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบาย เพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกอันนี้อะไรทายขัดข้องบางคนก็อยากล่ำอยากรวยทำมาไมมันไม่ล่าไม่รวยบางคนก็อยากทนทุกข์ทำมาไมมันไม่พอดมันคาอะไรมันข้องอะไ ร, นออะไรเนี่ย เราจะรู้จักที่ค้อมคอมตรงไหนก็เรยจะจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้เจ้าผู้ปฏิบัตินีน่มันไม่ดีเพราะใดเคอจิตของเรามันไม่สงบมันทรง้างหน้าข้างหลังท้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่มันทรงไปเยอะเงั้น มันไม่ได้ตั้งในธรรกลางหนะ้า อ, อกของเราตั้งดวงใจของเราอ่ามันไม่ตั้งนะเมื่อเจียตนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขนะมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรับสัมผัสข้างนอกอ่าเลวการมอารมณ์อ่ากรมอารมณ์อนุจัก นูปรลมสัทธารลมขันธารลมละสาลมโกทัพารลมธรรมารลมพ้เท่ากันกับลมดปบยึดวยความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้น่าจะเป็นนึกฟุกเย็นน้ำนุน้ำเสียง น, นํนำกลิ่นน้ำรัดรัดกระเดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปนานิโกน้อมก็ยตนะายในเจ้น้องก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูรีนดูกายดูใจขอยงเรา ต, ตาเนี่นยมันเป็นยังไงเ อ, อให้รู้ตาของเราเจ้หูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราเจ้จมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราเิ ลิ้นเป็นยังไงรู้จักรสเลี้นของเราติดกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายเงเราติดกาของเรามันหลงหอะไรนะรู้จักนี่ละค้ามันน้อมก็มาทนนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ้เนเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้ มันเกิดมาจากโดวงใจคือฟูอนะภายในนี่ม่เกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทําให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกนในลินในรสอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขา เราก็ตาําน้ำมาพิจรารณาโตตมข็องเราที่จะมากรรมาฐานอ่าในกรรมาฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล่นดูอ่านมโจักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นลดสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเปิดจากรูปนี้อันนี้รูปันนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบอกตะจะเปลียนโตนี่ มีหนังหุมอยู่เป็นที่สุดละท่านบอกว่าพินญาภักดเจเบศหนังหุมอยู่เป็นที่สุดละโผลรณนาบปากาส萨อาซึกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอคิเมสเหมินกายเยนในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ ท่านบอกงั้นบาได้บกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบรกเลยกายนอดคือกายนี้คือกายขอยงเรานี่แหละเต็ไไมไปยังไงของเมซ่าในกายนี้เกษาคือผมนี่เต็นไปอย่างนี้ผมไมซสาแล้วไมซ่าดูที่มันเป็นคนแล้วมันไม่เป็นคน การดูที่ผมของเราอ่ามันลุกมันเล้องออกมามันเป็นยังไงอ่าถูกเข้าทูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานโดอเราไม่ได้สําระสาสางจัตปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนั่นเป็นยังไงผมของเรางานเกรนมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นยังไงมันสะอาดไหม ทำไ ม, มเราจะมาไปหลงอ่ถ้าเราพิเจินนาแล้วสิมันนี้มันไม่สะอาดพิ่เจอนนาดูแท่ น, นี่โรมาคือขนตามสละพางร่างกายเงามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไดแก้ได้สำาักอยู่ไม่ใช่ละ หรือถอนมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเหล่นนานะนี่เจรณากกนี่แหละจะเต็มไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันข้างเราอันเป็นยังไงในถูด้วยสำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรืถ้าไม่ถูไม่สําระนี่เป็นยังไงหรือถอนนมาดูงาน มันเป็นคนแล้วมันเป็นอะไรอจริงไหมอ่ะมันสาสตร์หรือไม่สาสรให้ดูใหู้กนันทิ่ติโกเราจงรู้เองเห็นเองนี่แพทย์พเจรณาอยางนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันแล้วมันเป็นอะไรอ่ามันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงนะ ตาจอคือหนังท่อมท่มอยู่ที่ในตัวของเราเนี่หนังนี่มันเป็นยังไงหาแล้วมีสระอาบน้ำหลัจกจัดเดินหนึ่งมันเป็นยังไงนะเด้อเอาหนังออกแล้วงเป็นยังไงล่ะตัวเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูพี่ทาไมเราจงึงมาพากันหลง เข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจม่าสะอาดคําสั่งสอนก็ไม่สะอา ด, อ แ, ลอาดแล้วก็ไม่สะาบไม่ใช่ละหรือสะอาดเอ้าหนังคนดูสิหนังค น, น, นงก็กตามหนังคนหนึ่นนงก็ตามสะอาดอยังไงล่ะเนีมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ ป, ป, ปลอกไปใช่ละนี่แค่นแค้นอย่างนี้มันจะไปละสะกายทิทีได้ มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็นไม่ทุกข์เลยเด้มันก็นไม่หลงเลยเด้เออนี่เห็นธรรมรู้ปฏิบัติธรรมนี่หรู้อย่างเนี้ยอหนังออกมาละเป็นไงตัวคนเมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นเล่มเดียวเด้เป็นคนละเป็นไงน่าดูไหม อมีแต่เนื้อมันไม่สะอาดมีแต่เลือดมีแต่น้ําเหลืองมันไม่สะอาดสะอาดไหมละ่ะน้าดูเต้นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้ อ, อ, อดูออกเบ็ดเนื้ออนเนื้อไปล่างกระดูกเป็นไงอ่านเต้นพิจนาันโลเพื่อมาให้หลงนี่แหละเป็นข้อสาคัญการประพฤติและการปฏิบัติ จัาไรเป็นผู้เห็นอย่างนี้จังไรผู้เห็นผ่านมันตรงไปถือทิภิมานะอาหารการมามันไม่ถือตอนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วเจ็บมันก็วางได้แล้วถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอาอ น, นี้เหลือแต่ล้างกระดูกกระดูกเป็นไงมันกป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์มันห น, นีแล้วมันชั่วดูที่กระดูก มาดูกขากระดูกแขนประดูกสีคทองกระดูกสันหลังเออตหลกศีสากหมูจะเปานไง น, นี่จำแนกแกกเลยแท้ทำมันโลบมันเห็นเท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของขิงธรรมไม่ใช่ละือเดี๋วเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้เต้เดี๋ยวนี่พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้โลบ ก, การปฏิบัติ อ, อันสอนไปเลยเจ้าคุยจบด้นจากทุกต่างปฏิบัติตในพงลู พ, ง, พงเห็นอันนี้เจไม่แต่เห็นอันเดินเนี่ยไม่หลงอันนี้อ่าเรเห็นอันนท้องอ้าวเอาออเท้าเอาตัดเอาไตาเอาเส้น้อยเส้ใหญ่ามาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูเป็นงไงน่าดูไหม อ้าจิเจริญนาเรื่อยเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนะนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็อย่างนั้นจิตของเราแต่นิพพิขาความเบื่อหน่ายคลายจากลูกจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆนะมันก็ไม่มีที่ได้เสียงอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งท้งวัดเอาหรือใครจะใส่คน น่ะตับคนเยเจ้าวไหมล่ะหรือใครจ้าออกก็ดูที่น่ะเห็นดังด้วยสินมาเนี้ยเขาว่าอะไรเขาเป็นทุกเป็นทุกไหมไส้เขาเป็นทุกไหมหันเก่าหันใหม่ตัวมันทุกไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกตัวเนี้ยอนี่ละวิเชน่า โง่ไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้นี่เมื่อเราจะแม่แจกตอนนี้เรามันจงังไม่หลงเอมันยังติดทุองรามันก็จะสงบได้มันจะละสะกายทิฏฐิได้แต่วิธีคือสาจะสงสัยไปในะอื่นมันไม่มเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุ น, นั้นต่องพิจาดาค้นอยู่อย่างนี้ มีหนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี่บางคนจะทํำยังไงไม่ให้เกิดอย่าไม่อยเกิดบางคนทํายังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันกับตนเองอถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมานนันไม่พ้นไม่พ้นฝ่ายใดมันมาลองอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นมรร ค, คถือเป็นเราเป็นเขา มันนี่ของเรานะพระมันไม่ไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วติบไบมา น, นี้มันเห็นไปอย่างนั้นอนะ น, นี้โมติบไบแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะนาเพื่อนในติดตันำดีน้ำดีเป็นคอนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสมหังนั้ำเสลดแล้ว น้าบพโคน้ําเหลืองละ่ะโลหิตัางน้ําเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรละ่ะน้าแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิเลือดเลือดคนน้าดีไหมชอบไหมอ้ามันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยไอ้ตัวของเราเนี่ยงานมันเป็นยังไงเป็นคนนะ่ะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึ่งรู้มันเจ้ เรามาใส่หนี่เราเป็นคนเขี้อโพน้ําเหอล่ะอะสู้น้าตาละ่ะวะสาน้าเหลอล่ะเขี้โรน้ําลายลสิงขารนิกาน้ํามูกขีตะมูกมันดีได้ยังไงน้ําลายละ่ะอนาซิกาน้ําไข่ข้อละ่ะงดตันน้ํามูดคือน้ําเยี่ยวเป็นไง ไข่เก็บไว้หรือนเป็นยังไงเป็นของส์เป็นควันนู้นมันเป็นอะไรอ่าเราเรามาหลงอันนี้ที่เห็บนั้นเน่ยพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิดบานใจขเราก็สวมางซึงเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ําเท่านั้น มีประจิตเราลองเห็นเป็นละมันก็สงบด้วมันไม่มีที่ได้อ่ามันไม่มีที่เอาก็ามไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นน่เห็นอย่างนั้นละวัะพักวัฏธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คนเราเลวหลงเบบนี้เป็นทุกข์ที่อย่งนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ว่าไงล่ะเราก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวความเกลดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรืองานเมื่อเราเห็นอย่งนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมันก็เป็นทุกข์อพิจาาเล่เนอันก็ไม่พิจารณาอือนอนาวนา ดีพิจารณากายพิจารณาจิตของเราทีนี้ให้ดูกายดูจิตของเราทีนี้ดูเพื่ใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตทีนี้ทนเราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงมัไม่รู้จักจิตของเรา คิดคนอื่นก็นไม่รู้หลงเนี่ยเจดูฮะใามันมรู้ท้ายนี้ล่ะไปวันนี้เขาก็ทำการทำงานฮะายนี้ก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญห้าร้อยอาห้าที่วันรายเนี่็เขาจุดเขาไปทิ้ง มีประโยชน์แรฐานล่างตายเลยเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความสะาดแล้วอนั้นทำไมหลง นี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสาดสะอื้อเลยอยากได้อยากใช้ชอบใจหลงความสนุกทุกชมแล้วมันทำไมอยากได้หัวเสียเสียพุตมาเหมือนกัสินของมีศาสตร์มาเห็นความควมสบายอย่างเนี้ยเราชอบ พอดูดูแล้วเห็นพิกนี้ขาดไปแห่งนึงใดลแล้วามาเท่านั้นเราก็ไม่ไ้นี่สมุินี่กายเราทำชุดชุดครมนี่มันก็นไม่ต่องกาเอาเพืออะไรฝาดชุดชุดพนมเพืออะไรขรงอไรขงไม่ดี ทีเจนเาหลเหล่านี้เมืม่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นนั่นแล้วมันก็ไม่เสยโยทยานดิ้นรอนเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนันทิในรบใดขาดใดมันไปรู้รู้เพตใดนี่จะได้สอนนะคะการนั่งสมาธิ เข้าที่พิจารณาทำรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผงพิจารณาเกิดหลายาเข้าที่ดูดูจิตดูกายของเรานัาน่งเข้าที่เอามาดูเรีนรู้เป็นยังไง ต้องการความสุขความสบายต้องการความผลพุกงผลไถต้องการความช่วยทาลามอกต้องการความชุกความจํานี่ยเราให้นั่งดูเมื่อตายแล้สบาย่านั่งให้สบายวงสบายแล้ววางลงใจสบายดูดวงใจเรานมื่อเราจะดูตรงไหนเมื่อจักที่ดู นิสสพโยจึงนึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมมุสมเชื่อว่าอยู่ในใจเ่เห็นอยู่ในใจแล้วจงนึกให้ลึกคำบริกรรมภาวนาว่าบงต้นพุทโธโมสังโธพุทโธพโมสังโธสามแล้วให้รวมดับพุทโธพุทโธนเดียว ลับตางับปากนะหาลึกก่อในใจเลืมงก่นในจิตกระดิกลึกเอาหลึกความรู้สึกคิดตรงไหนแล้วเราก็ตั้งสติตรงนั้น